เราเจอมโต <c oughs> เรามีการมีงานเรามีหน้าที่ไม่ใช่เรามาเล่นเล่นชีวิตของเราเนี่ยประมาทไม่ได้ถ้าประมาทราเป็นทางไปสู่ความตายตายจากความดี ถ้าไม่ประมาทพ้นจากคนตายปสะสุดหมายปาทางได้ชีวิตคนตายคือคนไม่มีชีวิตคนไม่มีชีวิตก็คือคนไม่ตายตาจากนักจากผลมดาดูตาย ไม้มีชีวิตมรรคผลเคยชีวิตเหนือก่อนเกิเจ็เจ็บตายมีสติเดินอยู่บนเส้นทางของกายของใจอย่าชอบอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายผ่านให้ได้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับใจผ่านให้ได้ มันหลงผ่านไปมันโศกมันทุกข์ผ่านไปมันอะไรที่มันเกิดขึ้นผ่านไปให้เป็นให้มีสติผ่านควงหลงผ่านคองทุกข์ผ่านควมโกรธผ่านควรมวิตกควงวลโศม้หมองให้ได้ให้ชำนาญเมื่อกเราเดินทาง ไล่ไปนาเรเจะถ้าคนชำนาญเดินไปไล่ไปนาของตนเองหรือขับรถไปทำงานก็อนั่งรถก็ถึงแล้วถึงที่ทางานแล้วมันมีความสามารถหรือพอเดินก็ถึงแล้วไล่ดาแล้ว การเดินไม่มีความหมายถึงจัดหมายปลาทางเป็นที่ตั้งมันก็ธรรมดาการเดินทางก็มีขุขะบ้างไม่มีปัญหาชนะคือจุดหมายควมตายไม่มีค่าอะไรควมยากไม่มีค่าความง่ายไม่มีค่า ถึงมีค่าอย่าไปไปยาไปให้ปัญหาเป็นปัญหาให้ปัญหาเป็นปัญญาเป็นทางผ่านในมันํำนานจำนานในเช่นทางชีวิตเรามีทางเดินเช่นเดียวกันไปที่เดียวกันถึงที่เดียวกัน เดินคนเดียวผ่านเราเองเราหลงคนอื่นเขาไม่หลงเราโกรธคนอื่นเขาไม่โกรธเราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกอย่าถึงว่าคนน่ารักเหมือนเราหมดต้องเปรียบเทียบเอาอย่าง พุทธเจ้าภาษาวบกล้วก่อประกอบกับชีวิตของตอนเองทำให้เหมือนก็ะศาสดาภาษาวบกกัวาจาของเรามันก็จำนานนะมันมีทางผ่านจริง <c oughs> เดินอยู่บนลูบบนานา้ำบนกายบนใจนผ่านของเทศของเก่งเห็นหลักเห็นฐานเห็นเช่นเห็นทางแม่มันจะมีหลุมก็เหมือนกันหมดมีอะไรที่เราเคยผ่านก้ามไปเหมือนกันหมด หลงก็เหมือนกันหลงชั่วโมงนี้กับหลงชั่วโมงหน้าเหมือนกันโกดชั่วโมงนี้กับโกดชกั่วโมงข้างหน้าเหมือนกันถ้าไม่ขามชั่วโมงนี้มันก็ไม่มีขามชมั่วโมงข้างหน้าขามเรื่องเก่าไว้อย<ล>ข้ามเรื่องเกา่าไว้อยขามภาษาอะไรนะ <c oughs> ข้เรื่องก็ปล่อยๆผ่าน <c oughs> เรื่องก็ปล่อยๆเราต้องชำนาญแน่นอนง่ายถ้าไม่ผ่านก็ไม่ง่ายละ่ะยากผานควง ม, ม่วงก็ยากผ่านความคิดก็ยากถ้าเราหัดผ่านหัดข้ามนั่นก็ง่าย เคยเดินไปผูหลงสมัยสามสิบกว่าปีไม่มีทางต้องข้ามขอนมาไปตรงไหนไม่แต่คนฟันไล่ท่อนไม้ท่อนใหญ่ต้องข้ามเรื่อยข้ามที่แรกก็อาจจะปวดเมือ่อยบางทีถ้าขอนไม้มันไปโค้งในดอกก็ไตข่ขอนไป เ็กนิมิตเห็นกจ็จะหัหลงชุมกุ่มอยู่นน่นะข้ามขอนไปตงขอนข้ามขอนนั่นข้ามไปข้ามมาง่ายข้ามที่แรกก็ปวดขาต่อข้ามไปข้ามไปมันินเหมือนกันให้เราเดินทางชั่วโมงแรกสองชั่วโมองอาจจะเหนื่อย ว the ันห่อาจะเหนื่อยสองวันอาจจะเหนื่อยสวันหวันไว้ไม่เหนื่อยคือเดินทางไกลเดินจากเงเลยถึงเชียงใหม่ใช้เวลาเดือนหนึ่งถึงเชียงใหม่โดยขึ้นโดยสุเทพกิ็โกม ไม่รู้จักเหนื่อยเพราะเราเดินทางมาเดือนหนึ่งแล้วพอไปขึ้นเดินขึ้นหน่อยจุเทพหนิดหน่อยผ่านคนไม่รู้กี่คนเขาเดินทางพอเราเดินไปขึ้นไปคนอื่นก็นั่งแขบแฉบอยู่เอ๊ะเราคงไม่นั่งนั่งไม่ลงเพราะเราไม่มีความรู้สึกแค่นั้น แล้วก็ผ่านเขับเป็นเรื่อยเต้นคนญี่ปุ่นอนทับเป้อยู่ข้างหลังหายจะเงียบเงียบเราก็เอ๊ะมันเป็นอะไรจะตายไปเนี่ยก็เลยยืนอยู่เป็นเพื่อนไม่นั่งเลยนะยืนก็ไปก็มาแต่ไม่พูดกันไม่รู้เรื่อง แล้วก็เลินตาโดนเราก็เลี่ยมน้อยๆเราก็เออยังไม่ตายก็เลยยืนอยู่เป็นเพื่อนถ้ามันเป็นอะไรจะช่วยมันนั้นหนมกว่าเราแปฮะก็มัน ก, ก็ลุกขึ้นลุกขึ้นมันลุกไม่ขึ้นเป้มันใหญ่ดันขึ้นแล้วก็ไปยกเป้ช่วยมันหยุ ด, ยดบอกเราไปชุดเอะอมันไรบ้า มันก็ลุกขึ้นอีกที่สองก็มันขึ้นเองแล้วจะไปช่วยเองมันก็ไม่พอใจเอ๊ะแสดงว่ามันไม่ให้เราช่วยมันจะช่วยมันเองเราก็ยืนอยู่มันลุกไปลุกมาลุกได้ก็ลุกได้มันก็เบิกมือนไปเลยมันมันยกนิ้วมันไม่ต้องช่วยช่วยตัวเองดีกว่า เนี่ยคนญี่ปุ่นก็นเดินขึ้นไปไปพักอีกเราไม่พักไปเรื่อยไปตอนนี้มันพักอยู่มันโบกมือเราเราก็บอกไไปก่อนนะอหนมันก็ชํำนานนะเดินขึ้นเขาสีบัตระสีลังกาคนที่เบียกกำลังก็เดินไปก่อนลง เราก็เดินปอยเฉสบายเดินไปเดินขึ้นไปเรื่อยไปแต่คนหูกับคนเดินน้อยคนบุนทวีเลาะกันแต่เราอายุน้อยอายุมากกว่าเขาเขาอายุน้อยกว่าเราเราก็เดินขึ้นไปถ้าเราจะไปเหมือนพระพระนมขึ้นจอนสมหมายโพรสเทพ ก็ได้แต่ว่าสองคนเนี่เราขอเป็นเพื่อนเขาสักหน่อยได้แค่ไหนก็เอาเอาให้สุดความสามารถ <c oughs> เราขึ้นไปก็เราก็ไปนั่งะเขาเดินล่าแล้วมองเครื่องหลังโน่นอยู่นั่นตกตก็มเเราขึ้นไปนั่งนะหัวล่อเขาเดี๋ยเดี๋ยวพอเขาขึ้นไปเขานั่งเขาเขานั่งก็เข หายเหนื่อยบ้างแล้วเราเดินขึ้นไปไปหลอกเขาหยิกมะขึ้นมาัลที่สดพอขึ้นไปค้อนแล้วพวกเดินไปถึงก่อนลงมาแล้วกันลงมานังมองเห็นอยู่เนี่ยเห็นยอดแล้วก็เดินขึ้นไปเอาควนเลยที่ลงมาไปขึ้นไปอีก ตื่นขึ้นไปดูกันหนึ่งบางทีก็ช่วยกันบนะ้างแต่ใครเคยขึ้นชีปัทาแล้วเติมอื่นเมืเรื่องเด็กกำนานการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนี่เหมือนกันทางความหลงง่ายนิดเดียวรัดนู่นความทุกข์รัดนม่นความโกรธรัดนู่นภาครุนทุกเรื่อง พัดก็หมดง่ายนเดียวเหมือนพลิกมือหายมทีหลื 1, 5, อเปหา 8, ้าตนาเลยแปดก้าวมีหลักมีฐานหลงมันหนึ่งลูกวันหนึ่งนี่มันลงหลงนี่คือลูกเรื่องของลูกไม่มากแสดงให้เราเห็นหมดเรื่องของนามไม่มากแสดงออกมาให้เราเห็นหมดทำไมเราจะไม่ลงแสดงแล้วแสดงอีกหนังเรื่องเก่าไม่มีค่า สำหรับผู้ที่ดูหนังเรื่องเก่าดูแสดงไปก่อนมันก็ได้ <c oughs> บางทีมันเล่นคนกับเราน้าจอไายาาไ ด, ไดูดิดูกนมันเข้าข้างตัวนั่นยิ่งยิ่งฉลาดแล้วก็จำนานผ่านโทนผ่านนี่ไป เมื่อนเราเดินทางนั่นแหละปฏิบัติธรรมถึงก็ถึงเหมือนกันะ่ะทําไมจะไม่ถึงเหมือนเราหิวข้าวจิ้นข้าวจิ้นข้าวจิ้นข้าวอิ่มแล้วกลมอิ่มเป็นเรื่องของส่วนตัวถามคนอื่นก็นไม่ได้ฉันอิ่มได้ยังไม่ต้องถามคนจิ้นข้าวหิวข้าวคนอิ่มข้าวไม่ต้องหิว มันก็ต่างกันคำว่าถึงคำว่าเสร็จคำว่าอิ่มก็อนเดียวกันแล้วก็ชนานาญไปกลับไปกลับไปกั บ, ก บ, กบโอ้จนหลงมันก็ไม่หลงนะบัดนมันไปที่นี่ทำเล่นๆก็ไปชูที่นี่ไม่ได้ตั้งใจปั๊บแคกแมาไปแล้วง่ายง่ายเลย น, น้คือสิ่งที่หลงทำให้เราได้เป็นเครื่องมือวกรณ์อย่างดผ่านรูปผ่านนามอาการของรูปอาการของนามแสดงให้เราเห็นหมดทำไม่จะไม่เห็นม่ไม่ปิดปางอับผางมั น, นแสดงมาแบบโอ้เห็นหมด แล้วเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนของการแสดงออกมาอะไรที่มันเกิดกับลูกนาไม่เที่ยงเท่านั้นที่มันเกิดขึ้นเป็นจิเลตก็ไม่เที่ยงตัณหาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงความโกรธความโลภความหลงอรไรยังไรไม่เที่ยงเลยการชื่อว่าลูกชื่อว่าไตหลับชื่อว่าความไม่เที่ยงนั้นก็ไม่เที่ยงอยู่เสมอไปง่าย แก่คนที่ไม่เคยผ่านเก่ายากตางต่อชิงใดไม่เที่ยงเกิดขึ้นกักลายเป็นทุกข์ต้องให้เสียใจอกหนะักนี้เราไม่เป็นอยานะ่างใดมันก็มันก็เห็นแฉงเหลือเกินความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็เห็นความไม่ใช่ตัวตนเข็นเกลี้ยงเก่าไปเลยสองไตนะ บอกทิศบอกทางเราหรอเฉลยช่วยเราช่วยเราได้เยอะเรเห็นโลกทำเห็นนามทำนะอะไรมองทั้วันไม่เที่ยงมันแสดงออกเราเห็นแต่เรื่องเดียวเป็นตัวเฉลยช่วยเราได้คล่องตัวเหมือนเครื่องมือการเดินทางมันเราเดินทางไปต่างประเทศไม่มีพาสปอร์ตมีวีซ่าผูกต้อง มีรูปของเราหลักฐานไม่าลาลักษณ์อักษรต้องกับวัชบอดต้งงุดทิวิชาบันเดินไปเกิดมันก็นหมดไม่มีหลักฐานอ้างได้ไม่มีอะไรขวงเราได้เราถูกต้องหมดทุกอย่างถ้าคนที่ขวงเราถือว่าผิด คค้งหลงจะให้เราหลงมก็ผิดนะ่ะควทุกข์ใจ้เราทุกข์มันผิดนะ่ะมีสิทธิไม่ทุกข์ไม่หลงนะ่ะผา่านไปเห็นสมมต <c oughs> เมิเห็นเหมือนหยัดเห็นประลมัดศัดิ์จ้าความเทิความจริงท่าลนลงไปอกีกอะไรเป็นสมมติจริงแบบสมมติจริงแบบไหน จิงแบบประมติจิ้งแบบไหนไมีกันเห็นหมดชำนาญในสมมติชำนาญ ใ, ในบัญญัติในโลกนี้เต็มไปด้วยสมมติเต็มไปด้วยบัญญัติมากมายเป็นดงเป็นประตูประตูที่เราต้ อ, องผ่าน ไม่ใช่ประตูมันเปิดไม่ได้มันเปิดได้จึงจะเรียกว่าประตูเปิดไดผ่านได้บางทีไม่ต้องเปิดมันเปิดให้เราเลยเหมือนประตูประตูเลย ร, รประตูดีโหมดเอะพอเราไปมันก็เปิดให้เลยเหมือนสนามบินเหมือนที่ ส่วนงานอะไรต่างๆก็เราเดินใบมันก็เปิดให้เราเราเดินผ่านไปก็ปิดให้เรา <c oughs> แล้วก็ผ่านได้จริงๆให้ความสะดวกชมุดให้ความสะดวกเพื่อให้เราเห็นบัญญัติให้ทำให้เราสะดวกเพื่อให้เราได้ผ่านปรมามณ์สัจจะทําให้เราถึงชมุดทําเราถึงตปละมณ์ ถ้ามันมีสมมุติไม่ถึงปรมาภะความเท็จมันบอกจึงมีความจริงไมีความเท็จเปรียบเทียบความจริงเรียก ว, ว่าสมมุติเรืยก ว, ว่าปรมาภะมันบอกนี่ก็ได้หลักฐานแม่แม่กรรมฐานไม่ใช่ไม่ใช่มโนภาพไม่ใช่ใชกินจินตนาการ มันเป็นการสัมผัสกับชีวิตขี่ว่าของเราจริงๆว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรมันทำไม่ได้มันจะหลงไม่ได้มันจะสู้ก็อทุกข์ไม่ได้มันก็เรื่องเหลีวไหลก็ว่าได้ไม่ใช่ปรมาจประปรมาจเหนือเหนือทุกอย่างมาเห็นลูกเห็นหนามเห็น ขันห้าม <c oughs> ันโชว์โชว์ประตูสุดท้ายละไรอย่างเงีรูปมันเป็นไงเหมือนพระพุทธเจ้าทรงสองสองสามหกว่าเรโยออกอุปทถานะขันห้าเป็นถัวทุบ จ้อยที่ตัง้งเมื่อเจอจึงเรานี่คือลูปูปาสดังกันถุกขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือลูกเราเหรืออะไรเช่นวันโชว์ป๋อิตลอดเพราะมันไม่ลูกมีนามมีขันหน้าท่าจีนั่นก็จะแดงตามภาษาของมันนั้นขันห้านะ่ะแต่ถ้าตาทาไม่ละเอียดมันก็มีรสชาติทำให้เรา ข้องติดไม่เป็นธรรมชาติที่โฉดมันขันเป็นขันรุน้วนไม่ใช่ขันอุทานขันอันนี้เป็นขันอาศัยไม่ใช่ขันที่จะต้องให้เราแบกเราถือการแบกถือคือสุกเป็นสุกทุกคนทุกเป็นแบกเอามนกับแบกเรือขันนี่ขันนัานีหมันเหรือขี่ข้างผ้า ขึ้นฝังแล้วก็ต้องโจดไปนั้นไม่ใช่ออกไปไม่ใช่แบกขึ้นไปไปเห็นไหนขันหน้านะไปเห็นในขนันห น, นา้าตามความใจรง็นด่างละเอียดถี่ท่วนมันไม่มันชวนให้เราดูโอ้นี่ขนันนี่คือมา ขันธรรมชาติล้วนๆเป็นขันอาศัยเป็นเมื่อเราทิ้งมันก็ไม่มีขยะเหมือนขยะอื่นตัวมันก็ไม่มีแต่มันแสดงเมื่อมีรูปมีนามมีขันหน้าจะแสดงตามความเท็จของกริงของมันมันก็ไม่มีอะไรที่มาให้แสดงมันเป็นเรื่องอย่างนั้น รูปน้องก็เป็นรูปนะเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปความคิดความนึกก็เป็นรูปมันเป็นอยานานน่างนั้นรูปนามมันเป็นขันห้าอย่างนั้นแต่มันมีอะไรที่มันไม่ใช่ตัวปทานไปยิดว่าแล้วชัก่อยเลย เห็นเขาแสดงในขันฮะดูเขาแสดงออกมาโง่โง่ไมอ่มอม่ฉลาดอะไรแต่ถ้าเราไม่วิปช จ, จนาลู้แก้งทะลุทะหลวงก็ได้ได้เห็นได้เห็นเรื่องเท็จเรื่องจริง ของขันธ์หน้าเล่นอยู่อย่างสนุกสนานตะอนเดินตอนเด่ น, น, นไม่ได้เล่นผ่านเล้าผ่านปเหมือนเราข้ามคูข้ามของข้ามทอนไม้ขามไปแล้วแต่ว่าขันธ์หาเนะ่ะมันเป็นเรื่องเน้นเป็นเรื่องมันเป็นเรื่อง เ, อเล่นเล่น แก่มันก็ทําให้เราหลงมันไละถ้าเราดูมันมันก็ยังมีอยู่เห็นเห็นไปเห็นมาเห็นไปเห็นว่ า, วาแยกกันซะการหน้าแยกกันเลยเหมือนคนท่าคนหยุดหยุ ด, ยดทำงานแต่ก่อนร่วมหันหน้าเส่นกันเหมือนคน ดายาเือ น, นพระเนนลายดายาหันห น, น้าใช่กันก็นั่นเขาทำคนนี้เขาทำไหนจบจบต่างคนต่างทํางานคนห้าคนเต่างคนต่างทํางานก็นั่นเขาก็ขยันรูปก็ขยันเวททั้งหนาก็ขยันฉันยาก็ขยันสังขารก็ขยันวิญญาณก็ขยันตามาที่ของเขา เือเขาจะอยู่ได้ทำไปทํมา <c oughs> คนห้าคนทำไปทามาแต่เราเป็นผู้ดูค่อยๆอย่างนั้นแลดู ด, ดูมันทำพอ ด, ด, ดูมันทำมันขันหน้ามันทำงานลูกเวทนาสัญญาสงขารวิญญาณเอาไปมามันหันหลังให้กัน นั้นหลังให้กันเดินไปคนละทาง อ, าอ้าวนะมันเป็นงี้มันหยุดเฉยๆนะหยุดไม่ทำไม่ทำตัวๆวางจอบวางเสียมวางจอบวางเครื่องมือทามาอันรถของขันห้านะอันลูกเวทนาสัญญาสังการยไม่มีรถมีชติจุดไปเลย อ๋อนี่อุปทานขัดลาด่าไป็นภาพหัวย่อไม่เท่านี้แต่พ <c> ว <oughs> กทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้มันผ่านจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่มโนภาพไม่ใช่คุณคิดที่ปัจนึกจินตยานไม่ใช่แบบนั้นแต่การทําด้วยมืผ่านด้วยการการะทาผ่านด้วยปัจจานายานผ่านด้วยกรรมฐาน อันนี้มันช่วยกันมาได้งั้นเราเดินทางเนี้ยใครก็เดินเอาใครเอาเราแต่ต้องไปด้วยกันเดี๋เราผ่านตนันหลังเห็นล่องลอยเห็นลอยพระบาทของพระเจ้าโอ้ยผู้ถรงไปตรงนี้เหมือ น, นกับเราสวดทั้งมาปาหังพระพุทธเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้านั้นแล้ว แตาเราทาถูกเจ้าะหน้าเราผ่านไปตรงไหนก็ผ่านนัมนกันหมดคอัาก้าหน้าอาจรรทธรรมอาชจรรพระเจ้าอาจรรธรรมอาชจรรหมู่สงศาของพระเจ้า ส, สงสา v o ของเจ้าเาลู่เรื่องนี้เป็นส่วนมาก รู้เรื่นี้เป็นส่วนมากโอ้อัศสุรยอดสุดยอดโอ้ชีวิตเนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทางไปนะถึงจนหมายปลายทางได้แต่อย่าหย่าทิ้งอย่าทิ้งงานทิ้งการให้อำดาจลำนำอยู่ในการเดิน ถ้ามีสติก็มืนกับเดินก็เห็นก็เดือดเดินข้ามไปแล้วถ้าเป็นแล้วหยุดแล้วเห็นอะไรเห็นมันหลงข้ามหล ง, ลงเป็นภาวะที่รู้ถ้าหลงเป็นรู้นะข้ามไปแล้วผ่านไปแล้วรู้ ก, ก็เป็นรู้ผ่านไปแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นกับรู้ความนำผ่านแล้วผ่านคือรู้นั่นแหะ ให้เรารู้ความหลงไม่ใช่ทําให้เราหลงความทุกข์ไม่ใช่ทาเราทุกข์ให้เรารู้ให้เราข้ามไปให้เราเห็นมันทําได้ไม่หลงก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้เมื่อมีหลงไม่หลงก็ได้เมื่อไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้เมื่อหนุยเมื่อมีโกรธไม่โกรธก็ได้เนี่ยข้ามไปผ่านไปทางมันจากตรงนี้ ยาเฉียเวลานนอยนิดเดียวก็เรล่าละง่ายง่ายยิงผ่านทุกนี่สนุกดีสมน้ำหน้ามันอันชื่อว่าทุกนี่ผ่านได้เลยม้ยเขาเยี่ยมที่สุดเลยปเปิสุดที่สุดไม่มีอะไรที่ขยันไปกวาการข้ามทุกโตให้บันทุกบ้าเท่าไร่ก็จะข้ามมัน่ะ เป็นจีฬาไปเลยเป็นศิลปะไปเลยนี่คือชัทธาคือความเพียรศรัทธาของในศรัทธาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวมันไม่หวั่นไหวรึไงมันหันหน้าใส่หันหน้าใส่ เหมือนเรือวิ่งเฉลี่ยก็มีเรดาร์ก็มีเรดาร์าสองไปข้างหน้ามีขึ้นอยู่ตรงไหนเหมือนขึ้นก็ก็ลูจ่จกอีกเหมือนเครื่องบินเขาบินขึ้นนานฟ้าบางทีเขาบอกเรา <c oughs> อีกสิบนาทีจะมีขึ่นข้างหน้า เออเผลอสานทุกคนล็อดเข็มขัดปรับที่นั่งให้ตรงของวางไว้ใต้โต๊ะใต้ม้านั่ง่อไปก็มีจริงกียงถึงต่ำติมต่ำมาเรือดิ่งทะเลก็เหมือนกันได้ขึ้นมันมาค้งมาค้างนี่เขาก็ไม่เอาข้างช่้หันหน้ามาช้วันสู้ขึ้น ไอ้ขึ้นมันมาไปเนี่ยไปเนี่ยถ้าขึ้นมันชัดข้างมันก็ไปข้ามได้ถ้าเลือดเล็กนะไอ้ขึ้นมาขนาะข้ามหันหน้าสู้ความหลงหันหน้าสู้ความทุกข์หันหน้าสู้ไม่ใช่หันข้างใส่ข้างไม่มีกําลังขึ้นเข้าข้างพอใจไม่พอใจเป็นข้างไม่แค่ตรงหน้า ปฏิบัติตงคือมันตรงตรงหลงกับลูกตรงกันถ้าหลงเป็นหลงเป็นมีรสชาติกข้างแล้วพริกความมากเป็นผู้หลงไปเลยข้างมันคือตรงข้างมันคือข้างๆนะงันเราจะข้ามแล้วเอาข้างๆกระโดดข้ามมาได้ต้องนั่งกระโดดข้าม ข้ามขอนไปต้องเอาข้างขึ้นนะบางทีก็ถ้าขอนใหญ่เอาข้างก้าวเก่าขึ้นไปอย่าปากขึ้นไปถ้าขอนได้ข้ามไปไหนข้าไปไหนต่างลักษณะก็ต่างกันอันนี้คือปฏิบัติตงศรัทธาในทัาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหว ไม่หวั่นหวเคยนั่งเหลือจากหาดให่ที่ไปเกาะสาหลายโยนไปทำบุญเราไมเคยนั่งเหลือ ข้ามขึ้นขนาดนั้นมองทะเลในเขาวเพียบเลยครับขึ้นมันใหญ่ลมพัดฝนตกแล้วก็หันหน้าสู่หันหน้าเรือสูกขึ้นเกาะสลามอยู่ทั้งเนี่ยแต่ขวาหน้าเรือไปนี่ยสู้ขึ้นต่ำตําต่ำตําตําต่ำเรือกระทบขึ้นที่ใลนะเรือมันลํมมาใหญ่นะหน้ามันก็เดินใช้พวกเราอยู่ข้างหลังเปียกหมดมันฝนฉาดไป บ้องเนียน้ำก็เด้นขึ้นลมคัดแรงปิวเฉยพวกเราไม่มีลังคาต่ำต่ำต่ำเฮเรามีหมอนลมันหึ่งทีน้อยเราก็โฟลุ่มไว้จากหมอนลมไว้เออเอามาก่อก็ถ้าเรียมันล่มจะจะเอาใช้หมอนเนี่ยเอาบาตเอาอะไรใส่ถมไว้ดีๆลลูดชิปไปย่างก็รูดชิปไปน่ะ กอดกอนอยู่จีวนเปียกหมดเลยตตำ่ตำต่อันดูเด็กน่วยนั่งอยู่นั่น่ะมันยังเดอกรอกันเลอเราต้องคิดว่าถ้าเหลือล่มใครจะช่วยเด็กนอดูโขนน้ อ, องโขนไม่ได้คิดอะไรเลยเขาเขาเป็นค น, น, คนท่านเหลแล้วเป็นคนบ้านโคกสเล้วคิดจะช่วยเด็กอยู่เด็กน้องยังหววรอกอยู่เปียกมันก็ยังคุยเล่นอย่าง อันเด็กทค่ไมมีใครจะช่วยมัม้ยวะเราจะคิดจะช่วยเด็กแล้วถ้าเรือล่มเนเราจะช่วยเด็กก่อนจใจมันเอาหมอนเนี่ยปล่อยเขาเราจะพิงแบ่งแต่ที่ไหนเขาไม่ได้คิดอะไรปังๆังปังปัพอานขึ้นไปกาา็จะขันหน้าใจเกาะเหียบหมอในคืนนั้น เจ้าบ้านเจ้าของบ้านเขามาเอาผ้าไปเอาพัดหลมเป่าเราไม่มีผ้าเปลี่ยนพัดหลมเป่าสีวนไปเต่าพัดหลมเป่าโหแห้งตอนชาไต้นุ่งได้ห่มทำไทิธีตำบนบ้านเขานี่ยก็คือชาวทะเล ก, กับป้านโคกป้านป่า คนที่ชํานาญเดินเหลือเขก็มั่นใจเขามั่นใจเขาหยอดหลุมเหมือนรถคนคนคนว่านป่าคนบ้านโคกเดนทางขับรถเดินทางด้วยถุกเขาหยอดหลุมเป็นถ้ากรุงเทพหยอดหลุมไม่เป็นนะใช่ไมเห็เราหนุนปังปังไปแล้คนบ้านนอกเขาหยอดหลุมหยอดระหว่างคันเร่งระหว่าง ถ้ายังคลาดใส่หลมเหมือนเราใส่รถน้ำเวลาไว้ทุกน้ําวลาลงหลมก็ผักไปหน่อยถ้ามันลงหลมก็พอมันขึ้นเอาแรงๆหน่อยอย่าให้มันกระตุกกระเิืน้ํามันเฟียดน้ามันก็เพื่มออกหมดเลยพอมันก็ดันไปดันไปแล้วมันปั๊บนี่ยปั๊บนี่ยน้ําออกหมดเลยบางทีทุกน้ําบางคน ใส่รถไม่เป็นน้ำหมอกหมดเลยสมัยราณครับไม่มีก็ไม่มีเครื่องฝังมันทนุกวนนันเนั่นเองมันต้องจำนานแน่นอนกับมาฐานเนี่ยนีปัจจนาเนี่ยยอดเยี่ยมโดยสุดเลยเดินทางชิดของเราถึงจุดหมายปลายทางทางคมลงได้ง่ายผ่านคมทษกด้ง่ายผ่านคมโกรธได้ง่ายผ่านกิเลสพันธาตนาหรือเปล่าได้ง่าย ไม่ไม่ใช่เรื่องเป็นของเราเรื่องทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราควาไม่ทุกข์เรื่องหลงไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือไม่หลงนะให้ให้มันถึงปลายทางอยู่ตนนั้นยอมตายไม่มีค่าถ้าหลงมันตรงไม่หลงคือจนไหมยปลายทางมันทุกข์มันตรงไม่ทุกข์คือจนไหม้ปลายทาง ก็ต้องโกรธต้องไม้โกรธคือจุดหมายปลายทางนั่นแหละจุดหมายปลายทางนั่นเป็นทางผ่านจริงๆผ่านอันนี้มันจึงไปถึงอันโน้นผ่านความหิวจึงเกินถึงความอิม่มถ้าเราไม่คเคยหิวเราไม่รู้จักอิม่มอิ่มเป็นยังไงพวกมันหิวหิวพอให้เราอิม่มถ้าไม่หิวมันมีความอิม่ม มีควรมเก็บมันดึกมีความไม่เก็บมีความแก่จึงมีความไม่แก่มีความตายจึงมีความไม่ตายนี่ไหมวันพ่อแปะพูดว่าข้อใหญ่หนูแม่สุดเนี่ยป่วยบ้ใหญ่หนูมีมีมีชาติชัละวรระมีความเกิดความแก่ กับความตายเท่านั้นความเก็บไม่มีมีเหมือนกันว่อหนูป่วยเก็บตงไหน่อยไม่มีคนที่เก็บเลยนอนสบาไม่เห็นแสดงความเก็บนอนสบเออดีมีแต่ความเกิดความเจ็บความตายเนาะเนาะความเก็บไม่มีเลยเนาะไม่ได้ตายเพราะความเก็บตายเพราะความตายอันนี้ตายเพราะความเจ็บนี่เหมือนกันนะ แต่บางคนตายเพราความเก็บนะมันต้องมีแน่นอนเราเนี่ยทำอย่างไรพวกเราจึงจะพ้นจากมันได้ก็วิปัสสนานี่ยแหละมาทำอย่างนี้แหละไม่มีวิธีใดเดินไปทางเดียวนี่แหละผ่านความหลงมีสติเห็นกายเอากายนี่แหละทําเอาใจนี่แหละทําเอาสาตินี่แหละดูอะไอย่างเงี้ยเรายินบอกอะไรเพี้ยน สมาทานจินไม่ได้มันสมาทานฉินผ่านไปอีกแล้วเดือนแตงก็จะหมดแล้วย่างจึงนะเราทะยุจันัการนจิน